พระสิท ธ, ธะไดกระทำมาจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาไปในคืนเดียวเพราะดูเพรดูกายผมก็เห็นอะไรอีกมากนอกจากเห็นกายเห็นเป็นรูปแต่ก่อนก็เห็นเป็นกายอะไรก็เป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเห็นเป็นกายเนี่ย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 ก็มันเห็นก็เป็นทางถ้าเป็นไม่เป็นทางโลกหลงลังแล้วสุกก็ลุกทุกข์ก็ลุกไม่ผ่านในทางนี่มรรคคือทางมรรคคือหนทางเส้นเดียวที่จะผ่านได้มีทางเส่นเดียวผ่านก่านสุขผ่นทุกขผานความโลกความกดความหลงผัานเกิดเจเจ็บตายคือเห็น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 ความชั่วใช่นามมันทำชั่ววันนีนะ้มีความดีความชั่วเราไม่ได้เป็นใหญ่นั้นมีอะไรที่สั่งไปมันความหลงความหลงใข่รูปความหลงแข่น้ำไม่ใช่สติความหลงไปเจ้าของกายก็เลยเถื่อนประสุกเป็นทุกข์ใจก็เลยเถื่อนประสกเป็นทุกข์ สมสอนสุกก็มีทุกก็มีที่เกิดกับกายกับใจมันสมสอนเรว่าผมหลงมันใช่ผิดถ้ามีสติเป็นเจ้าของก็ใช่ถูกต้องมีสติเป็นเจ้าของก็ใช่ถูกตามันหลงกว่าลูกเจ้าของตัวมันสุกก็่ลูกเป็นเจ้าของไม่ปล่อยให้สุกไม่ปล่อยให้ทุก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 ่าให้ผิดเป็นผิดให้ผิดเป็นรู้มันถูกก็อ่าให้เป็นผู้ถูกให้ถูกเป็นรู้ไม่ต้องไปเป็นอะไรกับอนไลายเรืร่อคนเดินทางคนเดินทางต้องหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นณะที่เดินอ้าสิบกมร้อยกมสามร้อยกมสี่ร้อยกว่าม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 เห็นร really ูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นอาการของรูปของนามตามความเป็นจริงเห็นรูปมันทมนามมันทำมันทาดีมันทาชั่วตามความเป็นจริงของการกระทาการกระทาเป็นของจําแนกสัตว์ตามดีก็ดีทาชั่วก็ชั่วถ้าหลงก็ได้ความหลงถ้าลูกก็ได้ความลูกถ้าสุขก็ได้ความสุขถ้าเห็นมันก็ไม่มีอะไร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 ไมเพื่อนอ้อนตีข้องมันดังบอมันเพียงค่อยดังไม่เพียงค่อยดังเอาที่บ่อยคมดังเลยบเพราะเอา้อนไปตีอ่าิก็เจตสิกคือมันคิดเป็นมันสุขมันทุกข์เป็นเรือว่าเจตสิกกายมันร้อนมันหนาวเป็นลากายคำเรียกว่าอาการเจตสิก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 มันหาเหมือเช่าได้ยินไปตีสี่ได้ยินเสียงคลอกมาได้ยินไหมหลังตาอไม่มมได้ยินเลยหูหัวเดี๋ยวนี้มันดังไหมเสียงคล้องดังไห ม, มอันเสียงใครประดังอ่ะบ อ, บอตีอันจิตเมื่อไม่คิดเ ม, มื่อไม่ใช่มันก็ไม่มีอะไร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 ตรามาลองว่จนตะคุโรจนตะคุโรตาอยังงนตรงไหน่ะเป็นนางชนีลองให้ตลอดเพราตลอดชอเสียใจจะเอาสามีคืนก็ไม่ได้แล้วขอขาดเแล้วตัดทิงใจทำตามความรักตัดทิงใจทำตามความโกรธเส้นกล่องข้อน้อยข้าแม่เนี่ย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 ข้าพ่อข้าแม่ข้าโลกข้ากันตายอารมณ์เนี่ยอารมณ์ไล่ากาเสืออาการนว่าอาการทมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยหลักสูตรมันอยู่ตรงนี้ได้เห็นล้วก็ไม่เป็นผ่านตรงนี้ไขกุญแจแจ้สู้สี่ด่านนี้ให้ได้มันจะไป เรียกว่าบวชเรียกว่าเนคขมะไปแล้วพ้นไปแล้วออกไปแล้วหนส่งตัวเองไปแล้วเป็นสถานะปัญญาแล้วปัญญายานแล้ ว, ญญาญาญลวเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นเจรเราจบคงควทปฏิยาตังุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิ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 เลงไปแต่กอเมื่อเนี่ยมอยึ้มมาปุ๊บเห็นใหม่พุทโธลูกจากตัวกนมาจึงป่อาอยู่นี่ทไหยก็น้องบตามว่ายูนเข้าเยื่ฉันหลอตัวมันหลอมกันปับ๊บกันมากันมาลูกกันมาพอมาลูกลุ่ลึกซึ่งแล้วเรื่องแ น, น่ตัวลุกขึ้นมาพอปเทศัคีปัชีรูกแล้ว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 หวนขนกินมาพูดลงดตักๆแน่นอนก็าันจีนนยเขากลับไปบ้านยังไงอยู่จุกรโตเขาว่านี่อะไรเขาเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็ว่าอย่างนี้ฮะแต่พูดเจ้าไปดูพระพุทรูปปางเนี่ยอยู่ที่สลาหน้าหน้าปางเนี่ยชนะมาน ับบางนตัดสู้รู้เฉินเขาหเหยื่อเฉีนโนมีไหมมีเฉียนไหมรู้สึกไหมรู้สึกหมรู้สึกหมรู้สึกหมรู้ไหมรู้ทุกคนต้องขอใครไหมรู้เนี่ยขอคมรู้หลงตาเอามาให้เฉีนด้วยไม่มีทางมีแต่หมองเองรู้เองนะ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 ถ้าสอนให้เขาไม่หลงหน่อยจะดีมากเป็นบุญนะทําบุญแบบนี้พวกเราเราไม่มีเงินไม่ทองไปสร้างโน้นสร้างนี่หลังต่ท่านเหมือนจะสร้างองค์พิบาลที่นี่นี่ไม่มีเงินสร้างอะไรขอสร้างบุญแลยแต่ถ้าหลงขออย่าหลงถ้าต้างโกดไม่ต้องโกดเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีนะี่เรียกว่าบุญแล้ว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 ใช่ไหมผูกคอตีกันต้นหนังเกีดดันไปกินกองนี่ต้นหนังเกีดดันไปกินกองนี่ย่ากูหย่นดันไม่ถึงดันก็อยู่นะะได้ไหมจะทำไงจีกจะได้กินย่าฮะจะทำไงจีกินย่ากองนี่ได้กินย่ากองนี่ได้แ้วควายสองตัวผูกปิดกันเนี่ยมันดันกันยังไงไม่มีทางได้กินจะทำไงควายจะกินย่าอะไร